En staat het met de bodems uit te liegen? Tonnie, gop, in tontie hoek. Honglein tittip song, 12 kom, Oh, man, tik, wan, kan. God, stem วัดแห่งนี้ความจริงเป็นวัดเล็กๆ6 ประโยคเพราะ <c oughs> เวลาละอาตมาเป็นพระได้ 4 บรรษาอาตมาเป็นพระได้ 4 บรรษาเข้าบรรษาที่ 5 แต่ว่าเจ้าคุณพระอนงคารามองค์หลังองค์ที่ตายเมื่อเร็วเจ้าคุณเทพวิสุทธิเวทีเป็นเนนอายุ 18 ให้คัดนักเรียน 5 ให 2 ปีตามธรรมดาประโยค 3 เค้าเสื้อเค้าเรียนกัน 3 ปีเนี่ย สอบได้ประเรียน 3 ประโยคปีที่ 2 คือในปีนั้นคือปีที่ 2 ตกแต่พอพอปีที่ พระอติมดาท่านพุทธบริษัทอาตมาเองก็อยากถ้าพูดถึงความเป็นอยู่อาจจะมีความเป็นสุขแต่ว่าเนื้อแท้จริงๆ ญาติพระครูรัตนาวิลงมัชฌิมาแผนนี้ท่านก็เป็นใหญ่เป็นใหญ่ในวัดญาติพระครูดงสมาจารย์ ทับฝืนความความร้องไห้ของเขาเค้าก็ไม่ แม้แต่พระเองบางส่วนท่านต้องปฏิบัติตามนี้แต่ต้องตามทายกซึ่งกรรมการวัดกรรมการวัดทายกถือ <c oughs> ที่ห้องปกครองเจ้าอาวาสส่วนใหญ่แต่ว่าเจ้าอาวาสบางองค์ <c oughs> วัดใดไรก็มาเรียนด้วยนี่ก็มา มีอยู่คราวหนึ่งอาตมากับ 2-3 องค์เดินบาปรีๆพะนุ่งขึ้นจะเป็นวันโกนเห็นว่า ตอนนี้ก็นึกติใน แต่ว่าถ้าจะไฟฟ้าเข้าวัดต้องจ่ายเงิน 600 บาทเป็นเงินของสงฆ์ท่านถามว่าใครเห็นว่าควรเอาไฟฟ้าเอาเงินจ่ายเอาไฟฟ้าเข้าวัดแล้วใครไม่เห็นทรงควรเอ่อผู้พูดอาตมาเองก็ยกมือบอกว่าผมบ่น้อมมือบอกว่าผมไม่เห็นทรงควรขอรับไฟ she felt sort of theおっiphated but the she said she was she but she had ni vost to come out of a pond. she said she would not be DIE50 PHAFующ. I imagine the wait is STUED char spoke first of all four previousande edpunkt 정부. PHAFhavefocarem. E decidi warn...?l. ee 43 276 pl – phash anthropocch gosh criminal Zur��. integralко trade ratings la noda. corps. popping up. котор Stefano knows cor lo sa of late and gar Grugeot. Gions in the arbitrage of the wild อาจจะไม่เหมือนท่านทุวัดต่อมาๆแม้จะเป็นฝั่ง ไปอยู่ที่นั่นดีจริงๆเถิดที่ดีเพราะ ตระพะที่กินน้ําปลาโรย ก็เป็นพระราชาณะพร้อมกับเจอคุณเอ่อแกเจ้าคุณ hon. 콘เลรถ ต่อมาการเข้ามาวที่เหลือเปidity blondomi cook food chainombnachataachan prêt omnivỗวิศาติ์นอกจากเฉ аккуcharged bik ал muri hon. let's get my review grande procure datesังไขการged buying text hon. to buy text hon. ฝนภาพราที่กลงเทวพ์ ah, they told me if the documents I had sent out very surprising then visit their shop had most vision in truth 由. study successfully, really of a way to see the images in the beginning of a treatment we live in restaurant where would they know if แต่รู้สึกว่าอยู่ที่เวลานั้นก็เป็นเวลาสงครามโลกครั้งที่ 2 ญาติโยมพุทธบริษัทก็ ต่างคนต่างลี้ออกไปจะมาใส่บาดพระท่านใช้ 2 คนหิ้วใช้ใช้กระมังขนาดใหญ่ 2 คนนี้ เวลาท่านตักข้าวเต็มทัพพีระมือประคองใส่บาตรแสดงอิ่มความเป็นอยู่ก็มีความลําบากมากทั้งฟังเทศน์ก็เช่น อายุวัยปัจจุบันองค์สาวกได้ใช้ผ้าห่มสัตว์คือต้องห่มข้าวกินเป็นตําราดเวลาเช้าพ่อต้นเพลต้องห่มต่อมาก็มีคนส่งเป็นโตมีมาจะอภัยฉันอดๆเวลาประมาณทั้ง 8 เฒ่าก็เลี้ยง แต่บังเพนมันก็ไม่พอต้องจ่ายนี่ต่อมาเมื่ออาตมาสอบประเด็น 4 ได้ก็คิดว่าเองแค่ เมื่อก็ถวายผ้าไตรก็ได้ 1 ไตรปีหนึ่งเท่ 200 คันเศษหากผ้าได้ผ้าไกร 200 คันผ้า 200 ไกรแต่ว่าถึงเวลาเข้าบรรษาต้องซื้อจีวรใช้พอถึง ที่มารีนสิให้กับจีวรเก่าเต็มที่เวลาวันอุปสมบททั้งกรรมไส้จีวรเก่าแสดงว่าไม่มีจีวรใหม่ของนั้นแล้วก็ถวายท่านไปแต่ว่าอีก 2 ไกลนั่นน่ะบรรดา แปงโปติต่างๆแจกจริงๆงั้น ว่าอาตมาเป็นพระเด็กๆที่คําว่าผู้หลักผู้ใหญ่คือ ท่านไม่ได้ถือตัวแต่ว่าท่านเฉยๆว่าอารมณ์ธรรมดาธรรมดาจะพูดจะจาก็เต็มไปด้วยเหตุผลอาตมาไปอยู่วัดปยุรวก็ นายคณะ 4 ทั้งหมดผมมอบหน้าที่เป็นหน้าที่ของท่านผมวางวางภาระทุกอย่างเห็นอะไรสมควรทําให้สั่งตามสั่งพระธรรมตามนั้นก็เลยแบกภาระหนักรู้ว่าแบกภาระหนักเพราะว่าจะต้องคอยดูพระแต่ความจริงไม่ได้ดูใคร 3 ไป 4 กลับมาแล้วไปโรงเรียนแล้วก็หลังจากกลับจากเรียนฉันข้าวเสร็จก็ไปโรงเรียน ในเมื่อทําเป็นตัวอย่างอย่างนี้พระที่อยู่ใต้บังคับ <c oughs> ท่านเห็นว่าต้องเลี้ยงพระท่านก็นําเอาข้าวของท่านอาหารของท่านที่ได้มาเอามาถวายทุกวันเป็นการช่วยกันอันนี้ om deze energie te ben nog de te onderheid, in de mutwieerman onder vaard, om de mayor grote op basis ben ondernemen, capacity van para zaal, dan het goal estar dat we de wervanceichi yat een현 auraitgesv bermatideonos over de hoeveel sundheid stoles. Ik denk nog <c oughs> ให้สอบประโยคนั้นอย่าสอบ แต่ว่าถ้าจะไปชวนใครเจริญธรรมแต 4 แบบนั่งนอนยืนเดิน ja, welke ook we kan kan kan toe, wat, been, da, again, niet, de kloosters zijn, een soort van een soort van een soort van een soort van een soort een soort van een een een een een een een een een een เรียนเพื่อรู้นิดหน่อยพอการ <c oughs> อ่าโทษระหว่างที่อยู่ว่าเป็นตามแล้ววัจฉนัยก็ถามเวลา 2 เกิดขึ้นกลางคืนออตตานวะตะวัง นอนไม่เข้าไปสุกเพราะเสียงเสียงไซเรน พอจุดไฟโหงเข้าไปทันยะององ 40 องค์ ท่านเจ้าของ 40 องค์นี้เจ้าของบ้านก็แจกพอดีสิกุฏิเอามาพวกหาปลา ท่านรูปร่าท่านจ่ายสตางค์ให้ทั้งกินข้าวเลยกินแต่ก๋วยเตี๋ยวตอนเพลตอนเช้าข้าวก็ไม่ได้กินตอนเพลก็มาดีกินแต่ ถ้าวันไหนเป็นวันปกติกลางคืนไม่มีๆมาก็คิดในใจว่าคืนนี้ทําไมเครื่อง ที่เป็นอย่างนี้จะเป็นเพราะอะไรก็ไม่ทราบแต่คงคิดว่าเขาคง <c oughs> มาอยู่ที่วัดบ้านโคตามเดิมตอนนี้พระอาจารย์เจือมท่านก็ตายท่าน เขาก็ het niet ตามใจเขาอาตมาก็พิจารณาว่ามัน ท่านก็เลยบอกว่าถ้าใครเค้าถามนะบอกไม่รู้เค้าได้ ส่วนที่เหลือเป็นของทายกไปที่เหลือเป็นของทายกไปเรื่องนี้และ คันโคก็คณะสงฆ์ว่างไว้แล้วตามพระวินัยก็ตามก็ เพราะเห็นสภาพเจนันแล้วมันหวังก็ไม่ได้จริงๆเนี่ยแล้วทําถูกเค้าว่าผิดแต่ที่ทําผิดเค้า ทำได้แล้วต้องทํางานอย่างเขานี่ไม่เอาแน่ก็บังเอิญถ้ามาตั้งเป็น <c oughs> ก็เป็นว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทเนี่ยเรามาดูพระกันว่าพระในกรุงเทพฯก็ดีพระในมันนอกก็ดีก็คือพระแล้วทําไมชาวบ้านเวลาพระทางเท้าอบาน คนที่พระที่ไม่นี่เป็นพระครูจะคุณไม่ได้ไปบรรพชิตเค้าเรียกพระพระเลวนี่มนต์ทั้งนี้ครับเค้าตั้งไว้ ถ้าผู้ en moer de kerk om te gaan naar de kerk om te gaan de kerk om te gaan naar de kerk มีทั้งการศึกษาและการปฏิบัติแต่ที่ไม่ ภาวะดิวัทาแต่องค์ไม่เหมือนกันแน่บางองค์ก็มีปฏิวัติดาความประพฤติปฏิบัติเรียบร้อยบางองค์ก็ <c oughs> ต้องพึ่งตนเองจริงๆไม่มีใครเค้าเลี้ยงเค้าดู 1 นาทีเสร็จๆเรื่อง ตั้งแต่เล่มนี้เป็นต้นไปตั้งแต่ตอนนี้ <c oughs> แต่คนที่ด่าย้อนมาให้ฟังให้ฟังก็มีเยอะเหมือนกันเขาหาว่าเพ้อฝันเป็นคนสร้างชอบชอบสร้างวิมานใน toen mijn devantage was, was het een zielige kerel die op een